เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงคำและให้โอกาสแก่กิจใจของเจ้าของเพื่อบันดุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนารสีคือเป็นวันที่สิบห้าคำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาโลงธรรมที่นี่ ในพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวพิฏยานุสิธ์ทั้งหลายมีพระัุชากะโรเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณสองคืนกลางคืนมาก็เลยอบรมพระภิกิสุสมมเนียงพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคน แล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบโสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีลแปลดประการเป็นมันุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถทศินหลังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพิกความรู้ความเห็นในวันอุบสถเช่นนี้วันอบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานอนิรัส การที่เราจะรักษาศีล น, นั้นมีสามประการหนึ่งเราจะขอสมทา น, นกับพระสิสุอันหนึ่งสมทานปฏิรัตอันห น, น, นึ่งสมปัติปิรัตอันหนึ่งเรางดเลี่ยนโดยตนเองเรา่เ ร, เราเรู้ว่ปาปานาอธินาการเมมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสดศีลเรารู้แล้วเราก็ละเอง ไม่ต้องไปสมทานกับใครอือันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งอประการที่สามเป็นสมุทเฉทบรัชเช่นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรว่ะไอ้คนแล้ว ก, ก็จะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมทานกับใครอันนี้เป็น สินพระอดีญเจ้าสมุติเถสทั ย, ทยตัดขาดไปยผนี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าอ่าดูแลอยู่ด้วยตนเองตลอดการตลอดเวลาอสินมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สัมปตบิรัตสมุทานาบีรัตสมุติเถส ท, ยทวยรัตสมุทานาบรัตก็คือว่าต า, ามสะไป สัมปสัสยดีลัตงดเบียนโดยดตนเองไม่ต้องเสมมาทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ไม่คนขาเราก็ไม่ขามาันไม่เหยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครนะ ร, รู้ละไม่ต้องทำสมุทรเสียทิรัตขึ้นชื่อว่าบาปจะฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลย ซึ่งที่ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาหลายชั้นก็เลิกแต่วันนี้เยียบวยานี่เรียกว่าสมุทเทสยรัสขาดไปเลยอือทีนี้ทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของผลิพลานทั่นมสมาทานในวิรัตก็เป็นพื้นฐานของผลีผพา น, นั่นธัรมปัจจาริรัตก็เป็นพื้นฐานของผลีผพานั่นสมุทเทสยรัสก็ไปได้อันนี้ อุบาสกอุบาสิกาเราทางหลายบางทีก็ค้องใจอศีล น, น, นี่จะคิดหน่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาอืใครอยากจะได้ศีลก็ต้องแปรรันามะยังปันเตติสรณีนัสหะปัญจะชิลานิยาจามะนี่คิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีล น, นอกจากนี้ไปเราก็ ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักกินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาแค่นั้นเนี่ไม่ต้องไปถามใครลแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันอืมันก็ไม่เมามันก็มีศีล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมทานกับคนอื่นนั่นก็เดียวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปอืม ฉันว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศิลปขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหลอะอศิลปนี่ถ้พูดรวมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของธรรม ะ, ะถ้าไม่มีศิลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่มันมีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศิลปเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศิลคนรักษาศิล คนบริสุทธิ์ของใสสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พอเราสังลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลไอความเป็นจริงนั่นสมาทานศีล น, นั่นเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้ อ, อ, ดอตาตมา ย, ยังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอคนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ย ปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยอทําไมทําให้เหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทําไมถึงทําอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทําไปเรื่อยไม่ได้เด้บางคนคนไทยเข้าพรรษาดอดไม่ต้องกินเหล้านานอออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาดืียงกันไป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 ไม่รู้จะตอบอยังไงเขาเขาออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทำไมไม่ทำออกพรรษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยอโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกลัวจะไม่ทำเช่นว่าองค์การ น, นียมันบากในพรรษามาันก็หยุดซะจะมีขโมยเลย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 ในพรรษามาก็หยุดจะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างงั้นเด้อมันก็ดีแบบหนึ่งเปลืองข้าวครึ่งหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างงั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นอืนี่การบัญญัติที่เรียกว่าอคนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมากกว่าง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันจ้ะก็ดีไปอย่างหนึ่งก็เหมือนถ้าเราภาวนาแหละ ภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไม่ได้นอนภาวนาได้ไม่ได้คนร้อยหนึ่งก็ น, นอนภาวนากันหมดน่ะลักษณะการนอนภาวนามันสบายยืนจะมีกี่คนเนี่มันลำบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราทิ้เกียรตนอยู่อย่างนั้นอันนี้รางพระ ศีล น, น, นี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าหากออกพรรษาก็ดีเข้าออพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่ อ, อไรนั้นก็เป็นคนไม่พอคนือเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันถึง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 ผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะ ก, ก็ว่าแวงกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีนเท่าไรเป็นต้นก็เดียวกับเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีนจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีนเป็นพ่อเป็นแม่ อธรรมะเสารมองสินก็บเสารมองสินเสารมองธรรมะก็เสารมองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าออให้โยมประกันรักษาศินไอ้ตามความเป็นจริงนี่สินนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นดีมากที่สุด อ, อ่ะให้มีสติอยู่คุุมครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวร อ, อยู่สังรวมอยู่อย่างนี้ ลางบางคนจะเข้าใจว่าทาไม่ได้สมทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีล น, นะมั้งต้องหาพระจนได้ละ่ะต้องไปกราบลงหาพระไประเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่น่ะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหลอกเทศบอกเหรอกสมทานนามิรัติวันนี้คือไหชากาโลขึ้นมาธรรมากล่าว่านโมตสสะไม่เด้วยโยมก็ว่าไปตามโมทุกคนเลยเดียวกว่าสมทานนามิรัติ อันนั่นก็เป็นศีลอันหนึง่งแต่ว่าทําไปเรื่อยๆโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคารุจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมโยมชาคารุเป็นอะไรนะ้อวันนี้เน้ะโกรธให้โยมบ้างนี่ทําไมไม่ให้ศีลโยมใชแล้วเป็นอะไรนอ้อไม่รูนะ้เนาะเนี่ยอเราคิดว่าถ้าชาคารุไม่ไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบาย นึกว่าธัญชาคโรเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นดวงประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดก็ยอมเลยเนี่ยคิดไปทั่ ว, วไปเยถ้าหากว่าวันไลที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียวไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านแล้วเนี่ยรู้จักแล้วศีลได้จะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือในหลายวันในหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปไตวิรัตยาไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบ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 ทุกอย่างลแล้วเราก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านแล้วก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือไม้บ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกอแล้วส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนทนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือแล้วก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาว่าอะไรเขาทําอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลย อยู่ถนนคนทางเราก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แลละไม่จําเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหป็นกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระพราเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นออันนี้เราจะาไม่ยึดมั่นถือมั่นตํำรับตําราจนเกินไปอัตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็น อิสระอยู่น่ะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะตัรรมตมาก็เทศด้วยนี่เขาก็สงสัยเอยพระองค์นี่ทำไมเทศไม่มีปึง้งหนังสือเนี่ะตำราเขาเขาเรียกว่าปึ้งเอ้ยบางคนก็เกิดสะกิดกันมาเอ้เทศกันวันพูดไปเฉยๆเ ว, ๆวเ้ยนีน่ะนะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐาน ธรรมดาเขาต้องยกปึ่งใหญ่ๆเกินอ่านเขาเตรียมใจเขานะเขาว่าเทศมีมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ่งมีตำราอนี่มีพึ่งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปอะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใจในลักทธศ า, ส, าสนาของเรานั้น การเรียนหนังสือนั่นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็คว่องหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยนะอ่ะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านบ้าผมจะไปบ้านผมอย่างไงเรารู้เราเราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทําไมไปเยี่ยมคนน้นแล้วก็พูดไปเลยไม่จําเป็นจะเอาหนังสือไปกางอ่านทั้งนั้นจิบหายเท่านั้นเลยทำไง อันนี้คือมันติดสัจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วเราก็พูดกันไปเลยเนี่ยนี่ก็เรียกว่าไอ้ความจําได้หมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ติดแบบไปติดตําราอ่ะอันนั้นมันกันเมืองลาวจะไปอะไรก็สั่งมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศ ต, ตามปึ้งเทศ ต, ตามตําราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะ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 ซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะมาไปติดอยอยน่านดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดคือ น, นั้นมาถ้าที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตาลาถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันมีมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียว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 อธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนะในสมัยที่รุ่นหลังอัจฉามามัเ น, น่ะเทศนี้ก็ยากอ่านมาให้กิเทศเทศอเดียสัตว์สีไม่ได้เทศทุกเทศส ม, มุทัยนีโลดมักเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอี้อนั้นทำพระอเดียเจ้าเอามาเทศทำไมมักผลนิพพานจะไปเทศเลย บาปเนี่ยะอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดด้วยไม่ใช่เรื่องของเรา เ, เรื่องของเราเป็นเทพบุตฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้ละ่ะอกักขังกันไวในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าต่ัสสอนไว้เรากวนวัตการทุกๆุกคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นอืนี่เดียวกว่าศีลศีล น, นี้ คือตัดหรือแปลว่าตัดเลยเคยศีนฟืนหมดละสีนฟืนหนึ่งเขานี่ยเคยได้สีหมดละสีวส่าศีลก็ได้สีว่าตัดก็ได้ตัวห้มันขาดออกจากก้มชั่วทั้งหลายศ <c oughs> ีละนรืแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาเท <c oughs> ี่ยงตงหน้ามันก็จมดิ่งลงไฟ <c oughs> เป็นของหนักแน่น <c oughs> ถ้าเรามีศีน คือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลย เ, ออเราพูดไม่ถนัดเลยพูดคงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถานกล้าพูดกล้าทำในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่วาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยมี่แหละสินจึงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจ เราไม่เราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วล้วก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายออมอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี้ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่ขั้นข้ามต่ออันตรายต่างหลายนี้ฉะนั้นศีล น, นี้จึงเป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เดยว่า เป็นสุปัญญาเกิดได้สิ่งที่ไม่มีศีลนั่นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาเป็นทุกปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุกปัญญากับปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุทฐานอันเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้ได้เป็นบ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ฉันจัดเรียกว่า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 ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือจะไม่มีตํารายกขึ้นมาก็าเรียกว่ามันผิดนี่นี่คือหมดปัญญานี่นี่เ่วะปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่นี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งนั้ น, นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อทเราทั้งหลายรู้แล้วอื เมื่ อ, อไรจะเป็นบรรพระหรือไม่เป็นบรรพะก็ตามหาโอกาสอยู่อยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในคณะ น, นี่ฉันฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ยอันนี้เห็นของที่จะโวนขโมยเขาฉันไม่เอาแล้วเลิกนี่เป็นศีลเกิดมาแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยจะโวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลอยู่เดียวนั้นนี่ง่ายๆอย่างนี้ศีลไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยนะวันนี้เลิกเห็นเล่าสิ่งที่ควรกินมันมือนเมาผิดศีลอา้าฉันจะไม่กินแล้วที่นี้เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั่นเป็นสัมประตะวิรัตมที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิแต่ผ่านฝูงศีลมาทั้งนั้นแหละแต่ญาติโยมทางไหนมาู้จากศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้ําชาคาโลนชาคาโรถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะท่านก็อยู่ของท่าน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 ลูกชายก็ไปเคาะโรง ป, ก ป, ก ป, กปุกพ่อรับสินเนอพ่อรับสินล้วแม่รับสินเนอเอ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับสินอยู่างนั้นคนตายนล้วเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงม ง, งายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่ คนตายเนี่นรับรับสินไม่ได้หลอกคนเป็นเพงจะรับสินได้ไม่ดูเรื่องแล้วเน่ยคนตายมันแล่ไปแล้วที่เราทําบุญเพื่อเป็นฉนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปกรณเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านการดันยูกตบีทีของท่านจึงเกิดการกระทําบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศล น, นี่ถึงพ่อแม่ผููมีอุปกระ์เรานี่อันวะบุคคลหาใน ย, ยาก ผู้ปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะอะจะ ก, กระตันยู่ตอบแทนท่านเวลาอะไรก็ไม่อันนี้พูดผู้ทําแล้วเราก็ทําแทนเนี่ยบคุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาอะไรยากท่านจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาอะไอยากเท่านั้นอันนี้อย่าเป็นมุมายถึงขนาดนั้นเลยทําท้แท่เมื่อเรามีชีวิตอยู่เจตนาหังนี่มีเจตนาเนี่ยคนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะ ยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําบุญอืไ ม, ม่จําเป็นจะไปเคาะลงพ่อพ่อพระจะให้ศีลเนี่ย น, นับศีลเลยจะมันจะเป็นบ้ากันหมดด้านนั้นน่ะบ้ากันหมดเลยอืเนี่ยยังไม่เท่านั้นเองนะแล้วก็ น, นิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก่อนน้ำโมตระพะขาวตัวไปเงียบไอ้คนคนเป็นเป็นไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้น ไม่ใ่ให้สินคนเป็นให้สินคนตายก็ให้ล่องตาเด่นกับพระล่องตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังาชามีก็เงียบธรรมังสนังาชามีก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อเนี่เนี่ยพระก็เป็นบ้าให้สินคนตายเงียบปานาก็เงียบอธินาก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบทั้งนั้นนะชี้เลยนะสุขกิงอย่าันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพอเราเงียบเงียบซะ ให้พ่อรับสินพ่อจิตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าไปโงม ง, งายถึงขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นศิ น, ไ ม, น, นไม่ใช่เป็นของยากศิ น, นก็หมายว่าไอการละความชั่วเท่านั้นเนี่ยความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเรานี่ทางวาจาของเรานี่ทางใจของเร า, า, เร า, านี่เท่านี้แล้มันจะผิดพลาดเกิดเท่านี้ี่เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วยกายแล้วก็มาวานันนี้ใช่ไหมใจก็มาวัาวานนี้วาจาก็มาวันนี้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 ให้เข้าใจใชอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเราเอาง่ายไม่ลําบากวันนี้ก่หมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบโสถศิลป์ก่อรักษาดิรักษาอุโบโสถศิลรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตังพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่น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 กลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกไปเรื่องอื่นวันนี้เปลวทําจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเด็กกัเป็นสมาธิเด็วก็เป็นปัญญาทําไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆเรื่องว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนหนึ่งนะบางทีก็ยิ่งยิ่งเ ห, หลีวลาไป เหมือนไม้เราเนั่นเนียมันช่วงยาวๆไหมก็เอาขึงไปนานๆ น, นึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโยนโยนโเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันเน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาี่วัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศี น, นั้นไม่มีมันก็ราลบากนี่ศีนมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง